ฝ่ายสหาชาติโยธาของมโหสถกลับถึงกรุงมิถิลาโดยราตรีเดียวแจ้งกิจที่ตนได้ทำแก่มโหสถฝ่ายเหล่าบุรุษที่มโหสถวางไว้ก็ส่งข่าวก่อนว่าพระเจ้าจุลณีเป็นผู้อันพระราชาร้อยเอ็ดห้อมเลิมเป็นราชบริพานสเสด็จมาด้วยทรงมุ่งจะจับพระเจ้าวิเทหราชขอท่านผู้เป็นบัณฑิตยาประมาท มโหสถได้รับข่าวจากเหล่าบุรุษที่วางไว้เนืองนิดว่าวันนี้พระเจ้าจุลณีเสด็จถึงสถานที่นั้นวันนี้ถึงสถานที่นั้นก็วันนี้จะเสด็จถึงกรุงมิถิลาพระมหาสัตว์ได้ทราบข่าวนั้นก็ยิ่งเป็นผู้ไม่ประมาทฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจะกกรีธาทับมายึดเมืองเรา ก็ได้ทรงฟังเสียงกึกก้องไม่ขาดเสียงลำดับนั้นพระเจ้าจุลณีพรหมทัตพร้อมด้วยพลนิกายถือคบเพลิงนับด้วยแสนดวงส่องมักคาเสด็จมาถึงแต่หัวค่ำแล้วให้ล้อมเมืองมิถิลาไว้ทั้งสิ้นลำดับนั้นแม่ทัพก็ให้ตั้งโมูพนในที่นั้นๆล้อมกรุงมิถิลาด้วยปราการคือช้างด้วยปราการคือรถด้วยปราการคือม้า เราพนนิกายได้ยืนบรรลือลั่นปรบมือผิวปากคำรนร้องอยู่กรุงมิถิลากำหนดทั้งสิ้นเจ็ดยอก็มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยแสงสว่างประทีปและแสงสว่างเครื่องประดับสมัยนั้นราวก่บว่าเป็นการที่ปัตภีจะแตกสลายด้วยสัพท์สำเนียงแห่งช้างม้ารถและดุริยางดนตรีเป็นต้น นักปราดทั้งสี่คือเสนนกะปุกากุสะกามินทะเทวินทะได้ยินเสียงโห่ร้องโกลาหลไม่รู้เรื่องก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเสียงโห่ร้องอื้อเอิมากก็แต่ข้าพระองค์ไม่ทราบเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรควรที่จะทรงพิจารณาให้ทราบเรื่อง พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของอาจารย์ทั้งสก็ทรงคิดว่าพระเจ้าพรหมทัตจักเสด็จมาแล้วจึงเปิดพระแกลทอดพระเนตรก็ทรงทราบว่าเสด็จมาแล้วทั้งกลัวทั้งตกพระหฤทยัยทรงเห็นชัดว่าชีวิตของเราไม่มีละพรุ่งนี้พระเจ้าพรหมทัตจกยังพวกเราทั้งมวลให้สิ้นชีวิต ทรงเห็นชะนี้ก็ประทับนั่งตรัสอยู่กับอาจารย์ทั้งสีส่วนพระโพธิสัตว์รู้ว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเสด็จมาถึงแล้วเป็นผู้ไม่ครันคร้ามดุดราชสีจัดการรักษาในพระนครทั้งสิ้นแล้วคิดว่าเราจะให้พระราชาเบาพระไทยจึงขึ้นสู่พระราชนิเวศถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนหนึ่ง พระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมาเฝ้าก็ค่อยสบายพระหฤทยัยทรงดำริว่าคนอื่นยกมโหสถบัณฑิตผู้บุตรของเราจะชื่อว่าสามารถเปลื้องเราจากทุกข์ย่อมไม่มีเมื่อจะรับสั่งกับมโหสถได้ตรัสคาถาแรกในมหาอุมมังคชาดกนี้ว่าแน่พ่อมโหสถ พระเจ้าจุลนีพรหมทัตเจ้ากรุงปัญจาล ะ, สะเสด็จย่าตราทัพมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่ากองทัพของพระเจ้ากรุงปัญจาละนี้นั้นพึงประมาณไม่ได้มีกองช่างโยธะกองราบล้วนแต่ฉลาดในสงครามทั้งปวงสามารถจะปราบฆ่าศึกลงได้มีเสียงอื้ออึงยังกันและกันให้รู้ด้วยเสียงกลองและเสียงสัง มีวิทยาทางโลหะธาตุมีเครื่องประดับมีธงเกลื่อนกลนด้วยช้างมา้าสมบูรณ์ด้วยเหล่าคนมีศินตั้งมั่นด้วยดีด้วยเหล่าทหารผู้แกล้วกล้ากล่าวกันว่าในกองทัพนี้มีบัณฑิตสิบคนมีปัญญาดังแผ่นดินประชุมปรึกษากันในที่ลับพระชนนีของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเป็นที่11เอ็ ย่อมทรงสั่งสอนชาวปัญจาละนะครอนหนึ่งเป็นดาชนเหล่านี้กระสัตถ์หนึ่งร้ยหนึ่งพระนครผู้เรืองยศตามเสด็จพระเจ้าปัญจลา ร, ราชถูกพระเจ้าปัญจลา ร, ราชชิงเว้นแคว้นกลัวมรณะภัยตกอยู่ในอำนาจของชาวปัญจลกร ะ, กะตริย์เหล่านั้นเป็นผู้ทำตามพระราชดำรัสที่พระเจ้าปัญจลา ร, ราชรับสัง่ง ไม่มีความปรารถนาะก็จําต้องเจรจาอ่อนหวานตกอยู่ในอํานาจของพระเจ้าปัญจา ร, ราชผู้มีอํานาจไม่ปรารถนาะก็ต้องตามเสด็จกรุงมิถิลาถูกกองทัพนั้นแวดล้อมเป็นสามชั้นราชธานีของชาววิเทหราชถูกขุดเป็นคูโดยรอบกองทัพที่แวดล้อมกรุงมิถิลาโดยรอบนั้นปรากฏเหมือนดาวบนท้องฟ้าแน่ พ่อมโหสถพ่อจงรู้ว่าพวกเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่าสัพเะเสนายะความว่าพ่อมโหสถได้ยินว่าพระเจ้าจุลณีสเสด็จญาตราทับมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหลานับได้สิบแปดอคโหพินีมีพระราชาร้อยเอ็ดเป็นผู้นา คำว่าของพระเจ้ากรุงปัญจาละปัญจาริยาได้แก่เป็นของมีอยู่ของพระเจ้าปัญจาราชคำว่ากองช่างโยธาวิธิมตีความว่าประกอบด้วยกำลังของช่างไม้ผู้เที่ยวแบกทับสัมภาระที่นำมาเพื่อการช่างคำว่ากองราบปฏิมตีได้แก่ อันบุรุษผู้ก่อเอาสิ่งประเสริฐน้อยใหญ่รักษาแล้วคำว่าล้วนแต่ฉลาดในสงครามทั้งปวงสัพพะสังคามะโอวิทาได้แก่ผู้ฉลาดในสงครามทั้งปวงคำว่าปราบข้าศึกลงได้โอหาริณีความว่าสามารถล่วงหน้าเข้าไปในกองทัพแล้วตัดศีรษะข้าศึกไม่ทันให้รู้ตัว คำว่ามีเสียงอื้ออึงสัทธวตีได้แก่ไม่สงัดจากเสียงสิบประการคำว่าให้รู้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังเพริสังขับปะโภธนาความว่าในที่นั้นไม่สามารถจะให้รู้ด้วยคำสั่งว่าจงมาจงรุกจงรบจงอย่าไปเป็นต้น แต่กิจเช่นนั้นจะให้รู้กันได้ในที่นี้ด้วยเสียงกลองและด้วยเสียงสังฉะนั้นจึงชื่อว่ายังกันและกันให้รู้ด้วยเสียงกลองและเสียงสังคําว่ามีวิทยาทางโลหะธาตุโลหวิชาในบาทคาถาว่ามีวิทยาทางโลหะธาตุมีเครื่องประดับคือเป็นศิลปะเกี่ยวกับโลหะ เป็นชื่อของโลกเช่นเสื้อกเราะหมวกกระเาะเป็นต้นซึ่งประดับด้วยรัตนเจ็ดประการคําว่ามีเครื่องประดับอัลังการาได้แก่เป็นเครื่องประดับของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้นเพราะฉะนั้นในบาดคาถานี้จึงมีเนื้อความดังนี้ว่าชื่อว่ามีวิทยาทางโลหะธาตุมีเครื่องประดับ เพราะสว่างสวัยไปด้วยวิทยาทางโลหะธาตุและด้วยเครื่องประดับคำว่ามีธงทชฌณีความว่าประกอบด้วยธงทั้งหลายที่ยกขึ้นบนรถเป็นต้นซึ่งประดับด้วยธงเป็นต้นรุ่งเรืองด้วยวัตถุต่างคําคำว่าเกลื่อนกลนด้วยช้างมา้าวามะโรหินีความว่าทหารเหล่านั้นท่านเรียกว่า วามะโรหิณีเพราะเมื่อขึ้นช้างขึ้นมา้าย่อมขึ้นข้างซ้ายประกอบด้วยทหารเหล่านั้นคือเกลื่อนกลลไปด้วยช้างและมา้าซึ่งประมาณมิได้คำว่าด้วยเหล่าคนมีศิลป์สิ ป, ปิเยหิความว่าสมบูรณ์ด้วยดีคือเกลื่อนกลลด้วยเหล่าทหารที่ถึงความสำเร็จในศินละปะสิบปดอย่าง มีหัตถีศิลปะและอศวรศิลปะเป็นต้นคําว่าผู้แกล้กลาสชูเรหิความว่าแน่ข้อได้ยินว่ากองทัพนี้ตั้งมั่นด้วยดีด้วยเหล่าทหารผู้มีความแกล้กลาบากบั่นเสมอด้วยราชสีคําว่ามีอาหุความว่ากล่าวกันว่าในกองทัพนี้มีบัณฑิตสิบคน คำว่าประชุมปรึกษากันในที่ลับระโหคตาความว่ามีปกติไปในที่ลับคือมีปกตินั่งปรึกษากันในที่ลับเล่ากันว่าบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อได้คิดกันวันสองวันก็สามารถจะกลับเอาแผ่นดินขึ้นตั้งไว้ในอากาศได้คำว่าเป็นที่สิเอเอกาทสีความว่า ได้ยินว่าพระชนนีของพระเจ้าจุลนีนั้นประกอบด้วยปัญญายิ่งกว่าบัณฑิตสิบคนนั้นพระชนนีนั้นเป็นคนฉลาดที่สิบเอ็ดของบัณฑิตเหล่านั้นสังสอนร่ำสอนกองทหารปัญจาละเล่ากันมาว่าวันหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งถือข้าวสารหนึ่งธนานข้าวสุกหนึ่งห่อและกะหาปณ ะ, ะหนึ่งพันคิดจะฆ่าแม่นาม้า ก็ลงถึงท้ามกลางแม่น้ำไม่อาจจะข้ามได้จึงกล่าวกระชนทั้งหลายผู้ยืนอยู่ริมฝั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าวสารหนึ่งทนานข้าวสุกหนึ่งห่อและกระหาปณะหนึ่งพันของข้าพเจ้ามีอยู่ในมือบุคคลผู้สามารถยังข้าพเจ้าให้ได้ข้ามจากฝั่งนี้ข้าพเจ้าจักให้สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบใจซึ่งมีอยู่ในมือลำดับนั้น มีบุรุษหนึ่งถึงพร้อมด้วยกำลังนุ่งผ้ามั่นแล้วลงสู่แม่น้ำจับแขนบุรุษนั้นให้ข้ามไปแล้วกล่าวว่าท่านจงให้สิ่งที่ควรให้แก่ข้าพเจ้าบุรุษนั้นกล่าวตอบว่าท่านจงถือเอาเข้าวสารหนึ่งทนานหรือข้าวสุกหนึ่งห่อบุรุษผู้พาข้ามฟากจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่คิดชีวิตพาท่านข้ามฟาก ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยของสองสิ่งนั้นท่านจงให้กะหาปณะแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้ว่าจะให้ของชอบใจนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้าจะให้สิ่งที่ชอบใจจากของสามอย่างแก่ท่านบัดนี้ข้าพเจ้าก็ให้สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบใจแก่ท่านท่านอยากได้ก็จงถือเอา บุรุษผู้พาข้ามฟากจึงพูดแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ยืนอยู่ใกล้บุคคลผู้นั้นก็กล่าวตอบว่าบุรุษผู้ว่าจะให้ของชอบใจให้ของที่ชอบใจแก่ท่านท่านรับเอาเถิดบุรุษผู้พาข้ามฟากกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เอาแล้วพาบุรุษผู้จะให้ของชอบใจไปสู่ที่วินิจฉัยแจ้งแก่อมาตผู้วินิจฉัยทั้งหลาย ฝ่ายอมาตผู้วินิจฉัยเหล่านั้นได้ฟังข้อความทั้งปวงก็วินิจฉัยอย่างนั้นบุรุษผู้พาข้ามฟากไม่ยินดีด้วยวินิจฉัยแห่งอมาตเหล่านั้นจึงกราบทูลพระราชาฝ่ายพระราชาจุลณีให้เรียกอมาตผู้วินิจฉัยเหล่านั้นมาทรงฟังคาของชนทั้งสองแต่สำนักอมาตผู้วินิจฉัยเมื่อไม่ทรงทราบจะวินิจฉัยอย่างอื่น จึงทรงวินิจฉัยทับสัตว์บุรุษผู้พาข้ามฟากได้ฟังพระราชาวินิจฉัยดังนั้นก็พูดขึ้นหน้าพระที่นั่งว่าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์ผู้สละชีวิตลงสู่แม่น้ําให้มีโทษขณะนั้นพระชนนีแห่งพระเจ้าจุลณีมีพระนามว่าสลากเทวีประทับนั่งอยู่ใกล้ทรงทราบความที่พระราชาวินิจฉัยผิดจึงตรัสว่า พ่อวินิจช้คดีที่วินิจ้ผิดดีแล้วหรือพระเจ้าจุลณีทูลพระราชมารดาว่าหม่อมฉันทราบเท่านี้ถ้าว่าพระมารดาทรงทราบยิ่งกว่านี้ไซส์ขอได้ทรงวินิจใช้อีกเถิดพระนางสลากเทวีจึงรับสั่งว่าดีละพ่อแม่จะวินิจใช้จึงรับสั่งให้เรียกบุรุษผู้ว่าจะให้ของที่ชอบใจมาแล้วตรัสว่า เจ้าจงมาจงวางของสามอย่างที่เจ้าถืออยู่ไว้ที่ภาคพื้นรับสั่งให้วางเรียงกันแล้วตรัสถามว่าเมื่อเจ้าลอยอยู่ในน้ําเจ้าพูดว่ากรไรกะ บ, บุรุษผู้พาเจ้าข้ามฟากคนนี้ครั้นบุรุษผู้ว่าจะให้ของที่ชอบใจทูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงถือเอาของที่เจ้าชอบใจของเจ้านบัตรนี้ บุรุษผู้ว่าจะให้ของที่ชอบใจจึงถือเอาถุงกระหาปณะหนึ่งพันลำดับนั้นพระนางจึงให้เรียกบุรุษผู้ว่าจะให้ของที่ชอบใจมาในการเมื่อเดินไปได้หน่อยหนึ่งตรัสถามว่าเจ้าชอบกระหาปณะหนึ่งพันหรือครั้นได้ทรงฟังทูลตอบว่าชอบกระหาปณะหนึ่งพันพระเจ้าค่าจึงตรัสว่า เจ้าพูดกับบุรุษผู้พาข้ามฟากนี้ว่าเราจะให้ของที่ชอบใจจากของสามอย่างนี้แก่เขาหรือไม่ได้พูดครั้นได้ทรงฟังตอบว่าได้พูดจึงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงให้กระหาปณะหนึ่งพันแก่บุรุษผู้พาเจ้าข้ามฟากนี้นั่นแหลบุรุษผู้ว่าจะให้ของที่ชอบใจได้ฟังพระวินิจฉัยฉะนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญ ได้ให้กระหาปณะหนึ่งพันแก่บุรุษผู้พาตนข้ามฟากนั้นขณะนั้นพระเจ้าจุลนีพรหมทัตและอมาตะทั้งหลายยินดีในพระวินิจฉัยนั้นต่างแท้ซองสาธุการจำเดิมแต่นั้นความที่พระนางเจ้าสลากเทวีพระราชชนนีของพระเจ้าจุลนีเป็นผู้เป็นไปด้วยพระปัญญาก็บังเกิดปรากฏในที่ทั้งปวง พระเจ้าวิเทหราชทรงหมายเอาพระนางเจ้าองค์นี้จึงตรัสว่าพระชนนีเป็นที่สิบเอ็ดเป็นต้นคำว่ากษัตริย์ขั ต, ตยาได้แก่กษัตริย์ทั้งหลายคำว่าถูกพระเจ้าปัญจล ร, ราชชิงแวนแควนอัจฉนนณรัตเถาความว่าถูกพระเจ้าจุลนีพรหมทัตชิงแวนแควนยึดครอง คำว่ากลัวพยาธิตาความว่ากลัวแต่มรณะภัยไม่ทรงเห็นสิ่งอื่นที่จะพึงถือเอาข้อว่าตกอยู่ในอำนาจของชาวปัญจาละปัญจาลีนางวสังขตาความว่าตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าปัญจาลาชนี้ก็คํานี้เป็นทุติยาวิพติลงในอัดแห่งชัตถีวิพติ ข้าว่าเป็นผู้กระทําตามพระราชดำรัสที่พระเจ้าจุลนีรับสั่งยังวทาตักกราความว่าสามารถกระทําตามพระราชกระแสะที่ตรัสคําว่าอยู่ในอํานาจวสิณุขตาความว่าเมื่อก่อนมีอํานาจเองแต่เดี๋ยวนี้อยู่ในอํานาจของพระเจ้าจุลนีคําว่าสามชั้น ติสันทิความว่าถูกล้อมด้วยกำแพงสี่เหล่านี้คือถูกล้อมด้วยกำแพงคือช้างเป็นชั้นแรกถัดนั้ น, ล, น, นล้อมด้วยกำแพงคือรถถัดนั้นล้อมด้วยกำแพงคือม้าถัดนั้นล้อมด้วยกำแพงคือพลราบชื่อว่าล้อมสามชั้นคือระหว่างกองช้างกับกองรถเป็นชั้นหนึ่งระหว่างกองรถกับกองม้าเป็นชั้นหนึ่ง ระหว่างกองม้ากับกองผลราบเป็นชั้นหนึ่งคำว่าถูกขุดเป็นคู่โดยรอบปริขัน ญ, ญติความว่าบัดนี้นครนี้ถูกขุดโดยรอบเหมือนเขาประสงค์จะยกขึ้นถือไปคำว่าเหมือนดาวบนท้องฟ้าอุดทังตารกะชาตาวะความว่า กองทัพที่ล้อมรอบรงมิธิลานั้นปรากฏด้วยอาวุธทั้งหลายมีไม้ตะบองเป็นต้นหลายร้อยหลายพันเหมือนดาวบนท้องฟ้าคำว่าจงรู้วิชานาหิความว่าพ่อมโหสดตั้งแต่อเวจีจนถึงพวัคคพรมคนอื่นที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดในอุบายเช่นเจ้าไม่มีอันหนึ่งชื่อว่าความเป็นบัณฑิต ย่อมรู้กันได้ในฐานะเห็นปานนี้เพราะคนอื่นเช่นเจ้าไม่มีฉะนั้นเจ้าเท่านั้นจงรู้ว่าพวกเราจะค้นความทุกนี้ได้อย่างไร